ท่านสาธุชนพุทธบริษัทท <c oughs> ั้งหลายเวลานี้ท่านทัหลายได้สมาทานด้วยกรรมฐานแล้วต่อไปเอาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดตั้งใจสดับในอนุสติทั้งสามรายการคือพุทานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติ ในอรรสติทั้งสามดัการนี้เมื่อคืนที่แล้วได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททธ์หลายในด้านของการตั้งอารมณ์ไม่เฉพาะคือหมายความประรงอารมณ์ไป็สมาธิแล้วก็แนะนําในด้านการใช้ปัญญาพิจรารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแลพระอริยสง์ เนื้อแท้จริงๆในการเจริญอนุสติทาศน์โดยการหรือว่าทั้งสิบรดยการที่จะตอกล่าวต่อไปขา้าการปฏิบัติจริงๆท่านให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาเพื่อความรู้จริงไม่ใช่เป็นตัวภาวนาแต่การภาวนาก็มีความจำเป็นอย่างยิง่งเพราะว่าปกติจิตของเราชอบกระสับกระส่าย <c oughs> เพราะว่าอารมณ์จิตอย่างนี้มันตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสคืออุตจักขุกจัมันนานแล้วข้ามมาอุตจักขุกจัก็หมายถึงว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่ในเมื่อเราที่จะใช้อารมณ์ควาเป็นอารมณ์ความคิด <c oughs> ถ้าเราไม่ควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวสิก่อน ความคิดก็อย่าคิดเอานอกเรื่องนอกราวต่อไปสําหรับวันนี้ก็อยขอแนะนำํำในจุดหนึ่งคือในการด้านทรงตัวในการที่จะเจริญอนุสติสามรายการเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือพณิอารมณ์ที่ควบคุมกําลังใจ เรียกว่ากึ่งพุทธานุสติกรรมฐานาเรียกว่ากึ่งกสินเวลาเราดูพระพุทธรูป ก, ก่อนที่จะภาวนาว่าพุทโธให้แ้งดูพระพุทธรูปลืมตาดู <c oughs> ลืมดูตาดูจํำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาภาวนาว่าพุทโธ นึกถึงภาพพระพุทธรูปไปด้วยถ้าการข้องจิตมีสภาวะเลื่อนไปภาพพระพุทธรูปหายไปจากอารมณ์ของใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาจาภาพพระพุทธรูปเป็นได้แล้วก็หลับตาไปภาวนาวําพุญโธนึกถึงภาพพระพุทธรูปการทําอย่างนี้ทําไม่ใหม่ รู้สึกว่าจะหนักสุสักนิดหนึง่ง <c oughs> นี่พูดกันถึงอารมณ์ใหม่หรือ <c oughs> ว, ว่ามีอารมณ์ยังไม่ชินถ้าหาว่าอย่างนี้ภาพหายบ่อยๆคราวนี้ใหม่ลืมตาไม่หลับตาแต่ด้า ว, ว่าจะเป็นนั่งจ้าตาเปล่งจนทั้งแสบตาน้ําตาไหลอันนี้ไม่ถูกก็มีหลายคน แนะนําไปแล้วท่านเกิดความเข้าใจผิด <c oughs> ไปนั่งจ้องพระพุทธรูปไม่หลับตาถึงน้ำโหมน้าตาไหลแสบตานี่อย่างนี้ก็เรียกว่าอัตตะกิรมาฐานิโยเป็นส่วนสุดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าไม่เป็นการสมควรไม่เข้าถึงมรรคผลเวลาเราดูลืมตาดูพระพุทธรูปนี่ก็ดูความสวยสดงดงามของพระพุทธรูป ดูพระพุทธรัตนลักษณะดูการนั่งดูผิวพรรณตามใจที่เราจะชอบถ้ามีพระพุทธรูปหลายๆองค์ก็ดู อ, องค์นั้นบ้างดู อ, องค์นี้บ้างก็ได้ไม่บังคับแต่ว่าเฉพาะดูอย่างเดียวกขณะที่ดูก็ให้จิตมันจับอยู่ที่พระพุทธรูปจิตถ้าเราจับอยู่ที่พระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรมฐานก็เป็นสมาธิเหมือนกัน เร่ ว, ว่าการเจริญสมาธินี่ไม่ได้บังคับให้หลับตาเสมอไปจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เป็นแต่เพียงว่าให้ใจจับอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นถ้าเราลืมตาดูพระพุทธรูปจับพระพุทธรูปทรงตัวชอบองค์นั้นดูองค์นี้ดูองนี้แล้วก็ดูองค์โน้น <c oughs> ถ้ามีหลายองอย่างนี้ เป็นพุทธานุสติกรรมฐานสำหรับภาพที่ติดตามมีผลสองอย่างคือในเนี้ยในถ้าหากว่าเรานึกว่านี่เป็นภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติแต่ภาพสีที่ปรากฏเป็นกระสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตากกระสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีดำหรือสีเขียวก็เป็นนีลกระสิน ถ้าเป็นรพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทาตกะกศินถ้าเป็นรพระพุทธรูปแก้วใสก็เป็นเป็นอะโลกะศินหรือว่าใสมีแสงสว่างใสเทียบกับสว่างจัดว่าเป็นอะโลกะศิลรวมความว่าได้ผลเป็นสองอย่างเราจะทำอย่างไหนมันสบายใจ หลับตาสบายใจก็หลับตาหลับตาจิตมันพลานมากกว่าเลืมตาเราก็ลืมตาดูไม่เห็นจะเป็นไรใช่ได้ทั้งสองอย่างให้จิตจับอยู่ในเฉพาะที่นั้นก็แล้วกันตอนนี้มาในหนึ่งเส้นดับพพะธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ความจริงหาอว่าถ น, นัดในจัดในการจับพระพุทธรูปก็จับแต่เฉพาะพระพุทธรูปก็ได้ไม่ต้องไปเอาถึงพระธรรมนี่สําหรับการเจริญพระธรรมในด้านสมาธิจัดว่าเป็นนิมิตอันนี้รู้สึกว่ายากนิดหนึ่งแต่ว่าอารมณ์จิตเขาเราชินในพระพุทธรูปก็เอาพระพุทธรูปไปก่อนว่าเรื่องพระพุทธรูปไปก่อนดีกว่าเป็นพุทธ า, านุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็ออกก็พอ แต่ว่าถ้าใจเราไม่จับพระพุทธรูปไม่อยู่ถ้าเราชอบใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นศรณะเราจะนึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้จับเป็นสังขานุสติกรรมฐานไม่จำ ก, กัดไม่จะเป็นพระสงฆ์องค์ไหนเอาที่เราจับใจของเราที่สุดเป็นภาพติดตาที่สุดอารมณ์จับอยู่ได้เพราะอะไรอารมณ์พอใจในองค์นั้นแล้วก็จับองค์นั้น อาจิตจับภาพพระองค์นั้นเขาว้นึกไว้ในใจก็เห็น ง, ง่ายถ้าสมมุติว่าแต่เห็นนึกเห็น ง, ง่ายแต่ว่าการจับภาพของพระสงฆ์จงอยา่าไปคิดว่าท่านนมท่านแก่ท่านรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ยังไม่จําเป็นคิดจับภาพไว้ว่าอ๋อในพระองค์นั้นเป็นที่พระที่สารพของเราถ้าเราจะภาว น, นาด้วยก็ภาว น, นาว่าสังขโข นี่เป็นอนะว่านึกถึงอยู่กับที่นี้สำท่าว่าสาหรับถ้าเราจะเดินไปเดินมาจะไปธุระที่ไหนทำกิีการงานอยู่จิตใจหา่างร่างกายห่างจากพระพุทธโลกองค์นั้นร่างกายห่างจากพระสงฆ์ก็นึกถึงภาพพระพุทธโลกองค์นั้นและนึกถึงภาพพระสงฆ์ไว้เป็นปกติ อย่างนี้ผมเคยปฏิบัติมาในการก่อนในสมัยที่เป็นพระแล้วจะไปไหนก็ตามเดินอยู่พดอยู่คุยอยู่ทา ง, งานอยู่อารมณ์มันจับจิตอารมณ์มันทรงตัวไม่ถึงภาพพระนั่นอยู่เสมอเสมอเป็นปกติถ้าจิตใจมันสบายแต่หากว่าถ้าการทรงอย่างนี้เสมอเสมอ ผมก็อจะขอบอกผลเลยไปสักนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยท่านที่ไม่มีความต้องการหากว่าจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปโนดีนึกถึงภาพพระสงค์เป็นประจำคนดีจะไปทางไหนนั่งที่ไหนเดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ก็ตามนั่งรถนั่งเรือนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นหรือหลายหลายองค์ก็ได้ ไมตตุงภาพประสงค์องนั้นองใดองหนึ่งหรือว่าหลายหลายองก็ได้ให้มันติดอยู่ในใจถ้าสภาวะจิตของท่านหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้เป็นปกติไม่ลืมเลือนและทรงอยู่ได้นานๆตามสมควรแต่ว่าในสมัยที่ผมทำนั้นดูเหมือนว่านอกจากว่าผมจะเวลาผมคุยกับชาวบ้านเนี่ยผมยังไม่ทิ้งภาพพระจิตมันจับอยู่เพราะมันเป็นเอกตารม จะเดินไปเดินมาไปทุระที่ไหนบินท บ, บ่ายก็ตามจิตแต้วก็นึกถึงเห็นนึกเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าอารมณ์ของท่านนั้นหลปลายกดเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้กำไรพิเศษกื้รที่จะพึงได้นั่นก็คือทิพิจกขุยานนั่นก็จงอย่าไปคิดว่าเราจะศึกษาในด้านทิฏฐิจกุยาน เราตั้งใจศึกษาอย่างเดียวคือจิตจับพระองค์นั้นเป็นอารมณ์จะเป็นพระพุทธรูปพระพระสงฆ์ก็ตามนึกขึ้นมาเมื่อไร่จิตว่างเมื่อไรเราไม่ยอมวางภาพพระนั้นๆอย่างนี้เป็นผลแห่งที่เปรียญานแน่เพราะอะไรเพราะว่าผมก็ฝึกมาอย่างนี้นั่นแหละในด้านพุทธานุสติกรรมฐานนี่เป็นเรื่องที่ผมรักมากที่สุด เพราะว่าพระพุทธเจา้าทรงตรัสแก่ท่านอ น, นุห์ว่าอานันทาดูก่อนอ น, นุห์บุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่บุคคลเหล่าบุคคลนั้นเขาแม้จะเกาะชายสังฆติของตถาคตอยู่ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่ได้เจริญพุทธานุสติกรรมฐาน เขาผูดนั้นก็ถือว่าอัตถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ไม่เคยเห็นอัตถาคตเลยเพราะอะไรเพื่อนั่งเกาะชายสิงกติเห็นแต่นเนื้อเห็นแต่ร่างกายของท่านไม่ได้เห็นความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขันห้าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การบรรลุมรรคผลอยู่ที่ความดีของจิต ต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้มีพระพุทธฎีกาถัดว่าอานันทะดูก่อนอนนุนบุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ต ถ, า, ถาคตยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าเมื่อต ถ, า, ถาคตนิพพานไปแล้วก็ดีแต่บุคคลบนนั้นเจริญพุตานุสติกรมันฐานอยู่เป็นปกติ ตาถาคตถือว่าเขาพูดนั้นเป็นพูดเกาะชายสังฆติของตาถาคตอยู่นี่ถ้าเกาะชายสังฆติของพระพุทธเจา้าเวลานี้พระพุทธเจ้าทันปณนิพันธ์ถ้าเราเกาะสังคติอยู่ท่านเราแล้ว เ, เราจะไปไหนก็ในก่เาเอง <c oughs> นี่เป็นอันว่าผมเคยปฏิบัติมาใอย่างนี้โดยไม่ได้เคยคิดว่าจะฝึกเป็นทิฏฐิคุญาน แต่ผลปรากฏในเบื้องหลังว่าใครเขาพูดอะไรขึ้นมามันปรากฏอยู่ในจิตแทนภาพพระพุทธรูปบางทีไปบ้านหนึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าผมมันจะคิดเข้าถึงจัจรโตโตประปาติยานเขาถามเขาปลารล้มสามีของเขาว่าสามีของเขาตายไปแล้วไม่ทราบว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์ พอเขาพูดถึงสา ม, มีของเขาอารมณ์จิตมันก็ เ, เห็นสา ม, มีของเขายืนอยู่จี่นี้ถามว่าสา ม, มีของเธอของคุณนะ่ะเป็นคนผิวเหลืองล่างโปร่งรูปร่างหน้าตาดีใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาถามว่าถามทำไมผมก็นิ่งบอกเปล่าอยากจะรู้เท่านั้นเองนี่เป็ น, นว่ามเยทิพย์เยคุยยานจูตปบาบาทยานเขา ป, ปรากฏ เี่ตอนนี้เขาปลาลบกับสามีของเขามีความสุขและความทุกข์ไมขนาดเดียวกันนั้นไม่เห็นภาพสามีเขาสามพลาสามีเขาก็บอกว่าเขามีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเป็นปัจจัยเขาก็บอกด้วยแต่ว่าผมไม่ได้บอกเจ้าของบ้านเพราะว่าไม่มีความประสงค์จะทําอย่างนั้นมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในครั้งแรก และนี้สมมติว่าถ้าเราเดินปฏิไหนในป่าในดงก็ดีแต่เกิดความสงสัยว่าสถานที่นี้เดิมทีมีบ้านมีเมืองหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดการสงสัยขึ้นมาภาพนั้นมันก็ปรากฏแม้ได้ภาพวัตถุ ค, คือบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนและคนแลสัตว์มันก็ปรากฏอย่างนี้จัดว่าเป็นอติต่างสียาเป็นอนุว่า เราใช้พุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวันมั่นคงแต่ว่ขอว่าอย่างเดียวว่าเวลาที่นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าพระพุตธโลกโอตานและพระสงฆ์โอตานจงอย่าคิดว่าเราต้องการทิดไปจากุญญาณจิตมันจะสาน้นอารมณ์มันจะไม่ถึงอันที่ผมพูดมันนี่หมายถึงว่าผลพลอยได้นี่ถ้าว่าถ้าเราจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐาน เป็นสมาธิหลวงพ่อปานเคยแนะนําว่าภาพเทธรรมานุสติกรรมฐานนั้นก็ตั้งนิมิตไว้เป็นเหมือนดอกมะลิกแกว้วเห็นภาพพระพุทธ ร, รูปนึกถึงภาพพระ พ, พุทธ ร, รูปนึกถึงภา พ, พ, รรภา พ, พรรดอกมะลิกแกว้วพระธรรมที่เป็นดอกมะลิแก้วทีหลังไหลมาจากพระโอร์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงถ้าเราได้พุทธานุสติกรรมฐานในด้านนั้นแล้วการที่จะมาจับภาพธรรมานุสติกรรมฐานก็ไปในของยากก็ได้ทันทีนี่ว่าเราจะจับภาพสังขานุสติกรรมฐานคือประสง์องคใดองค์หนึ่งก็ได้ได้ผลเช่นเดียวกันพอรารมณ์ได้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเปลี่ยนจะไปจับอะไรก็ได้ทั้งหมด นี่แนะนำท่านในผลที่ผมเคยผ่านมาแล้วก็ปรากฏเป็นอย่างนี้ในด้านพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อเราจะเิญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านนี้แล้วก็พิจารณาคุณความดีของท่านมีความจับใจมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสง์ อย่าลืมนะครับว่าผมจำกัดคำลงไปว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เปรปะกเปรปาผมใช้คำาอาริยสงฆ์โดยเฉพาะเมื่ออารมณ์จิตของเราจับอย่างนี้แล้วอารมณ์จิตมันก็สร้างความดีจิตมันจะน้อมไปในส่วนที่กุศลอยู่ตลอดเวลา พร่ออะไรก็อ ร, รารักในพระพุทธเจา้าเราก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าอาจารสอนว่ายังไงแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามตามความสามารถที่เราจะพึงทาได้จิตมันน้อมไปเองเวลาที่เรานึกถึงพระอริยสงฆ์และเมื่อเราทราบประวัติความดีของท่านท่านทรมาแบบไหนใจของเราก็น้อมไปในตามนั้นพยายามปฏิบัติตามความดีทุกอย่างทางนี้พราะนัยความดีบังคับ ผมกล่าวว่าความดีบังคับไม่ใช่อารมณ์เดิมหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นของบางเอิญ บ, บับงคับบังคับให้คิดขึ้นไปเองตัวปัญญาไม่เกิดนี่เมื่อเราทำมาแลน้นเมื่อเราทรงสมาธิได้แล้วองค์สมเด็จพระปบพิตรแกวไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทำกรรมฐานในสี่สิบบทนี้ทั้งหมดทั้งหมด เพื่อในด้านสมถาภาวนายัางได้ยังเหน่งก็ตามถ้าจับได้ทรงได้อารมณ์เป็นฌานรืออารมณ์ทรงตัวก็ให้เจริญมิปัจสนายาันได้ทันทีถ้าเราจะพระพุทธรู ป, ปรพประพุทธวะพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีมาเป็นมิปัจสนายานันก็จงยึดหลักในมหาสติปัฏฐานาสูตรเป็นสำคัญก็ง่ายดี มาพิจรารณาว่าสรีระร่างกายข้าองค์สมเด็จปัญห า, าสีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีที่เรายอมรับนับถือว่าเป็นผู้เลิศและร่างกายของพระอริยสงฆ์คนดีที่ท่านพุทธผู้มีพระคุณใหญ่ปฏิบัติตามกระแสะสัทธรมัทินาข้าองค์สมเด็จพระจอมไตรโจงสาเร็จ เ, เป็นอนาตตผลแต่ว่าเวลานี้พระบรากายข้าองค์สมเด็จพระทศพล เนือ ว, ว่าร่างกายของพระรามทั้งหมดมันอยู่ที่ไหนเวลาจะสองพันปีเศษร่างกายของทุกท่านก็พังไปหมดแล้วองค์สมเด็จพระบัณิแก้วทรงมีพระคุณใหญ่มีกําลังใหญ่น่าจะทรงร่างกายอยู่ได้ตลอดกับตลอดกันแต่ได้ ว, ว่าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาย mm. ก็ไม่สามารถจะนำขันห้าทรงอยู่ได้ แม้แต่พระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่ทรงไม่น่าที่จะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะบังคับให้ร่างกายทรงอยู่ได้นี้ร่างกายของเรานะ่ะร่างกายของบุคคลอืนล่นเราแล้ะก็ทรัพย์สินทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยู่ในสมัยที่องค์สมเด็จพระบระมครูทรงพระชนอยู่ มีคนถวายเข้าของก็ามานับเป็นแสนแสนโกดวิหารแต่าละหลังผ้าแต่ละจริงของดีทั้งหมดอย่างพระเชตวันมหาวิหารราคามหาศาลแอคันทุบคนดีเขวนนาว่านาวินาวิสาขามหาบาสิกาก็ราคามากวิหารแต่า ล, าละหลังแะหลังนับจนนํานวนเป็นร้อยโกดพันโกดที่ต้องสร้างกัน แด่ว่าวิหารทั้งหลายเหล่านั้นองค์สมเด็จพระทรงทัานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ผ่านแล้วเอาไปได้หรือเปล่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนาบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์ในท้ายของมหาสฏิปัฐานสตรว่าร่างกายก็ดีว่าถุกท่างหลายคนดี ถ้าเราเห็นแล้วก็จงคิดแต่เพียงว่าสักแต่ว่าเห็นเราไม่ยึดไม่ถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเราไม่ยึดถือว่าร่างกายของคนอื่นที่เป็นพันพันสามีพันยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพวกเป็นฟ้องว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีอำนาจบังคับร่างกายของเราคนดีร่างกายของเขาคนดีมันมีความเกิดึ้นในเบื้องตน นั่นมันก็มีความเสื่อมไปในน้ากลางมีการสนไหลตัวไปในที่สุดฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมสพุทธเจ้าจะได้ทรงแนะนำว่าท่านฉนไหลเมื่อเห็นแล้วก็เชื่อศัตท์คำว่เห็นคือไม่ผูกพันเมื่ออาศัยอยู่ก็เพียงสัตท์าอาศัยอยู่และจงไม่ยึดถือร่างกายเราด้วยจงไม่ยึดถือร่างกายเขาบอกคนอื่นด้วยจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วย ว่ามันเป็นเราเป็นของเราโจคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกถ้าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดก็เป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกไม่เป็นภาระที่เมื่อเราทิ้งขันห้าแล้วคือขันห้ามันสลายตัวคือร่างกายมันพังเวลาเราตายเราไม่สามารถจะแบกร่างกายไปในชาติอื่นได้ ถ้าจำจะต้องเกิดใหม่ก็ต้องเปสร้างร่างกายใหม่ <c oughs> และร่างกายประเภทนี้จะไปเกิดในชาติใดก็ตามทีมันก็ต้องเป็นเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขร่างกายเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะเราไม่มีความปรารถนาในร่างกายอย่างนี้อีกขึ้นชืีอว่าร่างกายจะเป็นร่างกายร่างกายของมนุษย์คนดี จะเป็นกายของเทวาดาคนดีจะเป็นกายของพระคนดีจะไม่มีสําหรับเราเราต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ใดที่ทําให้เราไปพระนิพพานได้นั่นก็หนึ่งตัดราคะความรักในเพศเสียสองตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินเสียสามตัด โ, โท ส, ส, ะ ส, ดโสะความโกรธความฉั่วบาศเสีย สสี่ตัดโมหะความหลงถ้าความจริงราคะกับโลภะนี่ท่านจัดเป็นตัวเดียวกันที่ผมแยกกันก็เพื่อตั้งเข้าใจง่ายๆการตัดราคะก็ใช้สกายาติภิพระโทษกายกัาตาน้สติการสุปกรมฐานเป็นตัวนำการตัดโลภะความโลภ ก, ก็ตัดอารมณ์ที่อยากจะรวยทิง้งไปเสียมีการให้ทานแทน ในการตัดโทสะก็ใช้พร ม, มิหร4สีซิ่งเป็นของง่ายดีหรือว่าจะใช้กระสิน4ีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือกะสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวขึ้นมาทาให้เป็นเอกาตารมคือทรงชานแล้วก็ถ้าจะตัดโมหะก็ใช้อำนาจวิปัสสนาญาณรู้เท่าทันสภาวะตามความเป็นจริง ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้ น, นม่มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดทุกสิ่งจะเป็นคนก็ตามใสกม่ก็ตามวัตถุก็ตามเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่สามารถจะเป็นยจ้าของตลอดกาลถ้าว่าเราพิจารณาอย่างนี้นั้นโยเป็นปกติจิตใจของพุทธันตบริษุธิของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเป็นอารมณ์ปลดคือปลดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เกาะในอะไรทั้งหมดในเมื่อโรงณ์ของเราไม่เกาะในอะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่ไม่เดือดไม่ร้อนใดๆสภาวะอย่างใดจะเพึงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพียงเท่านี้ก็เป็นว่าท่านจบกิจในพระพุทธศาสนาขึ้นชี้ว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าถ้าขันห้าของท่านสลายตัวมาเลยอันนับนั้นท่านเรียกว่าพันิพาน อาระบดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปอบราดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษากำลังใจของท่านตามอัตยาสัยจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี